ท่านศาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันจานทร์ที่สิบมีนาคมพุทธศักราชสอง6ันห้าร้อสี่สิหกตรงกับวันขึ้นแปดข้าเดือนสี่เป็นวันพระเป็นวันธรรัตวานะเป็นวันฟังธรรมการที่ได้ยินได้ฟังธรรม อย่างสม่ำเสมอจะเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาความรู้ความฉลาดให้กับผู้ฟังจะได้รู้จักถึงเหตุและผลของความเสื่อมและความเจริญเหตุของเหตุและผลของการกระทาว่าเมื่อทำอะไรไปแล้วจะมีผล ที่จะตามมาอย่างไรอย่างเหตุที่ทำให้พวกเราทุกคนนั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีฐานะสูงต่ำแตกต่างกันไปมีความรู้ความฉลาดความโง่เขลาเบาปัญญามากน้อยแตกต่างกันไปมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามหรือไม่สวยงามมากน้อยแตกต่างกันไป มีอาการครบสาสิบสองหรือไม่ครบสามสิบสองแตกต่างกันไปมีความร่ำรวยมีความยากจนมากน้อยแตกต่างกันไปนั้นเหล่านี้ล้วนเป็นผลที่เกิดจากการกระทำของเราในอดีตการกระทำที่ทำให้เราได้มาเกิดสูงต่ำเหล่านี้นั้นเรียกว่าบุญบารมี อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้เรียกว่าเป็นการสะสมบุญบารมีเพื่อผลคืออํานาจวาสนาที่จะตามมาต่อไปในอนาคตบางครั้งอํานาจวาสนาก็จะปรากฏขึ้นมาในชาตินี้แต่บางครั้งก็ต้องรอเวลาถึงพบหน้าชาติหน้าถึงจะปรากฏ อำนาจวาสนาตามมาต่อไปแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือการสะสมหรือการบำเพ็ญบุญบารมีนี้เป็นเหตุที่จะทำให้ผลคืออำนาจวาสนานั้นปรากฏตามขึ้นมาในภายหลังจะเป็นชาตินี้ก็ได้หรือจะเป็นในภพชาติต่อต่อไปก็ได้ แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือว่าเมื่อได้สะสมบาเพ็ญบุญบารมีแล้วอำนาจวาสนาซึ่งเป็นผลของของบุญบารมีก็จะปรากฏตามมาอย่างแน่นอนช้าหรือเร็วและเมื่อเราได้เสวยอำนาจวาสนานี้แล้วก็ขอให้เราจงอย่าหลงละเิงกับอำนาจวาสนา คนบางคนเมื่อได้เกิดมาด้วยอำนาจวาสนาบารมีก็เกิดความหลงละเลิยกับอำนาจวาสนาแทนที่จะใช้อำนาจวาสนาไปในทางที่ดีคือสะสมบุญบารมีให้มีมากเพิ่มขึ้นไปเพื่อพบหน้าชาติหน้าจะได้มีอำนาจวาสนาบารมีมากยิงย่งขึ้นไป กับใช้อานาจวาสนาบารมีทำบาปทำกรรมก่อกรรมทําเข็ญเพื่อที่จะปกป้องรักษาอานาจวาสนาที่ตนมีอยู่ในปัจจุบันนี้ให้มีอยู่ไปนานๆซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดอานาจวาสนานี้มันเป็นผลที่เกิดจากการสะสมบุญบารมีถ้าเราสะสมบุญบารมีมามาก อำนาจวาสนามันก็จะอยู่กับเราไปนานไม่ต้องกลัวว่ามันจะหดหายไปไหน <c oughs> แล้วเราก็ต้องคำนึงถึงพพหน้าชาติหน้าที่จะตามมาต่อไปถ้าเราไม่สะสมอำนาจสะสมบุญบรารมีไว้เพิ่มเติบต่อไปแต่กลับมาสะสมบาปกรรมก่อกรรมทำเค็มเพื่อที่จะรักษาอำนาจวาสนาที่มีอยู่ในปัจจุบัน เมื่อเราตายไปพบหน้าชาติหน้าเราก็จะต้องเกิดมาด้วยความวาสนาต่ำเพราะว่าเราไม่ได้สะสมบุญบารมีซึ่งเป็นเหตุที่จะให้มีอำนาจวาสนาบารมีตามมาต่อไปในอนาคตนั่นเองเปรียบเทียบก็เหมือนกับชาวนาที่หลังจากได้เก็บเกี่ยวข้าวแล้วถ้าเป็นชาวนาที่ฉลาด ก็จะแบ่งข้าวส่วนหนึ่งไว้สำหรับเป็นเพาะเมล็ดพืชเพื่อที่จะได้เพาะสำหรับปลูกในฤ ด, ดูกาลต่อไปถ้าเป็นชาวนาที่โง่เขลาเบาปัญญาก็จะใช้เมล็ดพืชพืชผลที่ได้เก็บเกี่ยวมานั้นใช้ไปหมดเอาไปซื้อข้าวซื้อของมาพอถึงเวลาเพาะปลูกในฤ ด, ดูกาลต่อไป ก็ไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้สำหรับพ่อปูกเมื่อไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวพืชผลที่จะตามมาก็จะไม่มีต่อไปฉันใดชีวิตของพวกเราก็เป็นเช่นนั้นส่วนหนึ่งเราเกิดมาเราก็มาสวยบุญกุศลที่เราได้สะสมไว้ทำให้เราได้มีอำนาจวาสนามากน้อยแตกต่างกันไปถ้าได้เคยสะสม บุญบารมีไว้มากในอดีตชาตินี้เกิดมาก็จะมีอำนาจวาสนามากเช่นคนบางคนเกิดมาก็ได้เป็นกษัตริย์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมหาเศรษฐีบางคนก็ต้องมาเป็นคนขอทานเป็นคนยากคนจนบางคนก็อยู่กลางๆไม่ร่ำไม่รวยไม่มีอำนาจวาสนามาก แต่ก็ไม่ถึงกับตกอับยากจนต้องไปเป็นขอทานนี่ก็เป็นเพราะเหตุของที่เราแต่ละคนได้บําเพ็ญมานั้น <c oughs> ไม่มีความเท่าเทียมกันนั่นเองถ้าสะสมบุญบารมีมามากอํานาจวาสนาที่จะตามมาก็จะมีมากถ้าสะสมบําเพ็ญบุญบารมีน้อยอํานาจวาสนาที่จะตามมาก็จะมีน้อย นี่เป็นอริยาศาสตว์เป็นศาสตรธรรมความจริงที่พระบรมศาสดาสมเด็จพ ร, พ, พระพุทธเจ้าของเราได้ตัดสู้ได้เห็นมาด้วยญาณวิเศษคือปัญญานั่นเองจึงทำให้พระพุทธองค์ <c oughs> ทรงรู้ทรงเห็นถึงเหตุและผลต่างๆที่เกิดขึ้นกับสัตว์โลกทั้งหลาย สัตว์โลกนั้นเกิดสูงสูงต่ำต่ำก็เป็นเพราะเหตุคือกรรมนั่นเองกรรมก็คือการกระทา <c oughs> กรรมก็คือการกระทาถ้าทำกรรมดีเราก็เรียกว่าบุญบารมีถ้าทำกรรมชั่วเราก็เรียกว่าบาปกรรมนะเมื่อทำไปแล้วผลที่จะตามมาก็ปรากฏอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกทุกวันนี้ ฐานะของเราแต่ละคนจึงมีความแตกต่างกันเนื่องจากบุญกรรมที่เราสะสมกันมาในอดีตนั้นมีความไม่เท่าเทียมกันดังนั้นถ้าเราทุกคนที่เราปรารถนาที่จะมีอำนาจวาสนามีบุญมีความสุขเยอะๆเราก็ต้องหมั่นเพียรด้วยการสะสมบุญบารมีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าเราจะเกิดมา ในฐานะใดกต็ตามจะยากจนหรือจะเป็นมหาเศรษฐีก็ขอให้เราจงอย่ามีความประมาทในเรื่องบุญบรารมีบางคนนี้ต้องรองให้ยากจนก่อนถึงค่อยอยากจะทำบุญเพราะว่าเมื่อทาบุญแล้วตนจะได้มีความร่ำรวยตามมาแต่คนที่ร่ำรวยแล้วก็ไม่อยากจะทำบุญเพราะเสียดายเงินทองที่ตนเองมีอยู่เพราะไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าการที่ตนเองเกิดมาร่ำรวยมีอำนาจวาสนา t ี้ s ก็เกิดจากการทำบุญกุศลนี้เองแต่ถ้าไม่ทําต่อไปในปายภาพหน้าก็ต้องกลับมาเกิดเป็นคนยากจนเป็นคนขอทานแต่ถ้าเราไม่ประมาทในเรื่องบุญเรื่องกุศลในเรื่องบุญบารมีเราพยายามสะสมของเราอยู่อย่างต่อเนื่องทุกภพทุกชาติ ไม่ว่าจะเกิดมาเป็นคนจนหรือคนร่ำรวยก็ตามก็ขอให้เราจงบำเพ็ญสะสมบุญบา ร, รมีอย่างต่อเนื่องตามตัวอย่างของรพระบรมมศ า, าสดาคือพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธองค์ไม่ว่าจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามจะเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นกษัตริย์หรือเป็นคนยากจนเป็นคนสามัญธรรมดา ในแต่ละภพในแต่ละชาติจะทรงบำเพ็ญบุญบารมีอย่างสม่ำเสมอจึงทำให้พบชาติที่ตามมาต่อไปในภายหลังนั้นดีขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งถึงพบชาติสุดท้ายก็ได้มาเกิดเป็นพระราชโอรสของกษัตริย์และได้ออกบวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เนื่องจากเกิดการเกิดมาจากการบําเพ็ญบุญบารมีมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ว่าจะเกิดในชั้นใดก็ต่างก็จะไม่ประมาทในเรื่องการสะสมบุญบารมีพวกเราซึ่งเป็นผู้ที่มีความปรารถนาที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองกับอํานาจวาสนา เราก็ต้องไม่ประมาทในการสะสมบุญบารมีถึงแม้เราจะร่ำรวยเป็นม า, าเศษฐธีเราก็ไม่ควรประมาทไม่ต้องไปเสียดายทรัพย์สมบัติเงินทองที่เรามีอยู่เพราะว่าทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นเป็นของไม่ถาวรเป็นของที่คู่กับชีวิตนี้เท่านั้นคือหลังจากที่เราตายไปแล้วสมบัติข้าวของเงินทองทั้งหมดที่เรามาอยู่นี่ก็ จากเราไปไม่เป็นของเราอีกต่อไปแต่ส่วนที่จะเป็นของเราที่จะติดตามดวงวิญญาณของเราไปก็คือบุญบารมีนี้เองที่เราได้สะสมไว้ถ้าเราได้สะสมบุญบารมีมากเราไปเกิดข้างหน้าก็จะได้สวยอำนาจวาสนามากอีกนั่นเองดังนั้นเราไม่ต้องไปเสียดายอำนาจวาสนา ทรัพสมบัติเงินทองที่เรามีอยู่ในภพนี้ชาตินี้เราควรที่จะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพบหน้าชาติหน้าต่อไปเหมือนกับชาวนาถ้าฉลาดเวลาเก็บเกี่ยวได้เมล็ดพืชมากแทนที่จะเอาไปขายก็เอามาทําเป็นเมล็ดพืชใหม่เอามาเพาะพันธุ์ใหม่ก็จะได้ปลูกข้าวได้เพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยไร่ขึ้นมา เพาแทนที่จะเอาข้าวที่ตนเองได้เก็บเกี่ยวนี้เอาไปแลกเปลี่ยนเป็นข้าวของเงินทองก็เอามาเป็นเมล็ดพันธุ์ไว้สำหรับทานาในปีต่อไปไรานาที่เคยเดิมเคยทำได้เพียงปีละสิบไร่ก็จะกลายเป็นปีละล้อยไร่ขึ้นไป <c oughs> นี่แหละก็คือเรื่องของบุญบารมีก็เป็นในลักษณะนี้ดังนั้นขอให้เราจงอยากไปเสียดาย ทรัพย์สินเงินทองวาสนาบารมีที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้มีมากไม่น้อยขอให้เราทุ่มเทไปกับการสะสมบุญบารมีแล้วเราจะไม่ผิดหวังดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างในแต่ละภพแต่ละชาติพระพุทธองค์นั้นทรงมุ่งไปไ ป, ไปอยู่ที่การสะสมบุญบารมีอย่างเดียวดังที่เราเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวเรื่อง พระเจ้าสิบชาติเรื่องของพระเจ้าสิบชาตินี้ก็เรื่องของบา ร, รมีทั้งสิบประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงสะสมมาในแต่ละภพแต่ละชาตินั่นเองดังนั้นเราก็ยังควรที่จะมุ่งมั่นไปที่การสะสมบุญบา ร, รมีอย่าไปเสียดายเวลาเสียดายเงินทองเพราะว่าการที่เราสะสมบุญบา ร, รมีนั้น เราจะไม่ได้รับผลทันทีทันใดนอกจากไม่ได้รับผลแล้วเรายังต้องลงทุนเสียเงินเสียทองเสียข้าวของเสียเวลาไปเสียอีกแต่ผลที่จะตามมาต่อไปนั้นมันมีเป็นหลายหลายร้อยร้อยเท่าด้วยกันดีกว่าที่จะมัวมารักษาอำนาจวาสนาทรัพย์สมบัติเงินทองหรือขยายอำนาจวาสนาเงินทองให้มีมากขึ้น มีมากขึ้นมันก็เท่านั้นเพราะมันก็ใช้ได้เพียงชาตินี้เท่านั้นเองแต่ถ้าเราเอาอำนาจวาสนาเงินทองที่เรามีอยู่นี้มาสะสมเป็นบุญบรารมีอย่างกับเหมือนกับชาวนาที่เล่าให้ฟังว่ามีเมล็ดพืชได้เก็บเกี่ยวมามากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่เอาไปใช้เอามาทำเป็นเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเพาะปลูกให้มีข้าวได้เพิ่มมากขึ้นไป นี่แหะคือวิถีทางของคนฉลาดเป็นวิถีทางของพระพุทธเจ้าทําให้พระพุทธเจ้าจึงได้มาประสูตรตัดสั้เป็นพระอาราหันตัดสามัตสัมมาสามพุทธเจ้าสิ้นสุดกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงสิ้นสุดสิ้นสุ ด, สสดตัณหาความอยากที่มีอยู่ในใจไม่ต้องไปเกิดเวียนว่ายอีกต่อไป ไปถึงพระนิพพานซึ่งเปรียบเหมือนกับคลังสมบัติอันอันประเสริฐมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอำนาจวาสนาไม่ว่าจะเป็นความสุขความเจริญพระมีอยู่ในพระนิพพานครบบริบูรณ์ <c oughs> เมื่อได้ไปถึงจุดนั้นแล้วก็แสดงว่าได้ถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วได้ถึงจุดที่พอแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปบงเพ็ญ บุญวาสนาบุญบา ร, รมีอีกต่อไปดัง <c oughs> นั้นพวกเราจงอย่าได้ประมาทในเรื่องบุญบา ร, รมีเป็นอันขาดจงอย่าประมาทในเรื่องบาปกรรม <Genau. S 1> เพราะว่าทั้งบุญบา ร, รมีและบาปกรรมนี้เป็นเหตุที่จะส่งให้เราไปสู่ที่ดีหรือไปสู่ที่ไม่ดีบาปกรรมนี้เมื่อทําไปแล้ว <c oughs> จะทําให้เราต้องไปเกิดในอบายไม่สามารถที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ ต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นนกเป็นกาเป็นต้นหรือถ้าหนักกว่านั้นก็ต้องไปเป็นเปรตเป็นหูรกายไปเป็นสัตว์นรกนี่ก็เกิดจากบาปกรรมที่กระทำกันไว้ดังนั้นคนฉลาดจึงต้องไม่ทำบาปทำกรรมเป็นอันขาดจะไม่รักษาอานาจวาสนาด้วยการก่อกรรมทำ เวนกับผู้อื่นแต่จะรักษาอำนาจวาสนาด้วยการบำเพ็ญบุญบารมีเพราะว่าเมื่อตายไปแล้วอำนาจวาสนามันก็จะกลับมาหาเราอีกอย่างแน่นอน <c oughs> ดังนั้น <c oughs> สิ่งที่เราควรจะทำก็คือสะสมบุญบารมีซึ่งมีอยู่สิบประการด้วยกันได้แก่หนึ่งทานคือการให้สองศีล คือการรักษากายวาจาให้เป็นปกติไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น 3. เนคขมะคือการออกจากกามมรสุขคือไม่แสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเช่นการไปดูหนังดูละครล้องลำทำเพลงไปกินไปดื่มอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้เรียกว่ากามมสุข ผู้ที่ฉลาดจะต้องละเวน้นจะต้องมีเนคขมะเนคขมะแปลว่าการออกจากกวามมาสุขนั่นเองลำดับต่อมาข้อที่สี่ใกล้สะสม <c oughs> วิริยะความขยันหมั่นเพียรความขยันหมั่นเพียรที่จะทำแต่ความดีความขยันหมั่นเพียรในการละการกระทำบาป ก, กรรมทั้งปวงห้าให้มีขันติ ความอดทนต่อสู้กับความทุกข์ความยากลาบากไม่กลัวไม่ต้องกลัวความยากความลาบากที่เกิดจากการกระทาความดีห <c oughs> ให้มีอธิษฐาน <c oughs> คือความตั้งใจคนเราจะทำอะไรถ้าไม่มีความตั้งใจจะทำไม่ได้จะมัวปล่อยให้อารมณ์ทำตามอารมณ์นั้นยากที่เราจะทำความดีกันได้ ถ้าปล่อยให้ทำตามอารมณ์ปีหนึ่งก็อาจจะทำความดีไม่กี่ครั้งเช่นอาจจะทำในวันเกิดบ้างวัน <c oughs> วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบ้างเช่นวันมาฆวันวิสาขะหรือวันปีใหม่อย่างนี้ก็จะทำบุญกันสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรามีอธิษฐานคือความตั้งใจเราก็ต้องบอกเลยว่าเราจะทำบุญทุกๆุ ก, กวันนะเราจะมาวัดทุกๆุ ก, กวันพระ อย่างนี้เรียกว่าเป็นการตั้งใจถ้ามีการตั้งใจแล้วมันก็จะมีสิ่งที่คอยเตือนใจเราว่าเราต้องทำสิ่งเหล่านี้นะเพราะเราได้ตั้งใจเอาไว้แล้วเราไม่ได้มามัวรอให้เกิดอารมณ์อยากจะทำถึงค่อยทำนี่เราเรียกว่าอธิษฐานแล้วนอกจากอธิษฐาน ข, ข, ข้อต่อมาก็คือต้องมีสัจจะความจริงใจความจริงใจก็หมายถึงว่า เมื่อเราได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำอะไรเราต้องไม่หลอกตัวเราเองว่าตั้งไปเฉยๆแต่ไม่ได้ทำสักทีตั้งใจว่าจะมาวัดทุกวันพระก็ไม่ได้มาสักทีหรือมาก็มาแค่วันพระแรกสองครั้งสามครั้งแล้วก็หายต๋อมไปเลยอย่างนี้แสดงว่ามีอธิษฐานคือความตั้งใจแต่ไม่มีสัจจะความจริงใจต้องมีความจริงใจด้วย ถ้ามีสัจจะความจริงใจแล้วลองได้ตั้งใจว่าจะทําอะไรแล้วหัวเด็ดตินขาดจะต้องทําให้ได้ยกเว้นว่าสุดวิสัยเจ็บไข้ได้ป่วยต้องนอนเตียงลุกขึ้นมาไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่มันสุดวิสัยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายังมาได้แต่หาข้อหลีกเลี่ยงวิธีต่างๆเช่นว่าวันนี้รู้สึกว่า ไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจหรือเมื่อคืนนี้นอนไม่ค่อยหลับอย่างนี้ก็ไม่ได้นะถ้ายังมาได้เราต้องมาให้ได้ถ้าลองเราได้ตั้งใจไว้ว่าเราจะทำอะไรแล้วขอให้เราทาให้ได้ถ้าเรามีสัจจะความจริงใจแล้วเราจะทำได้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามคนเราจะสามารถทาได้ถ้าเรามีสัจจะความตั้งความจริงใจนะ ประการต่อมาเราจะต้องมีเมตตาเมตตาก็คือความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นนั่นเองมีไมตรีจิตกับทุกทุกคนอย่าไปมองผู้อื่นว่าเป็นศัตรูกับเราขอให้มองว่าทุกคนเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแต่ละคนก็มีความทุกข์ความลำบากพอสมควรในตัวของเขาแล้ว เราไม่ต้องไปสร้างความทุกข์ให้กับเขาเพิ่มขึ้นไปถึงแม้ว่าเขาจะโหดร้ายกับเราไม่ดีกับเราเราต้องให้อภัยเขาเพราะว่าถ้าเราใน ม, มีความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นอยู่ในใจแล้วเรานั่นแหละเป็นคนที่จะต้องรับเคราะห์กรรมคือความทุกข์จากความเครียดแค้นนี้มันเป็นเหมือนไฟ เขาหัวใจเราคนฉลาดนั้นจึงไม่มีความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นกับใครถึงแม้เขาจะทำร้ายเราด้วยวิธีวิธีการอันใดก็ตามคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าพระราหันทั้งหลายนั้นท่านจะถือว่าเป็นการใช้หนี้ใช้กรรมไปในอดีตเราเคยไปก่อกรรมทำเข็นกับผู้อื่นมาชาตินี้เขาตามมาเอาเอาคืนไป าารพระอรหันต์พระพุทธเจ้าจึงไม่ตอบโต้ด้วยวิธีการนันใดทั้งสิน้นนอกจากใช้ความเมตตาเท่านั้นถึงแม้ชีวิตของท่านจะต้องถูกทำลายไปท่านก็ไม่ปกป้องเพราะท่านยอมท่านรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาและเวรกรรมก็เป็นสิ่งที่หนีกันไม่พน้นถ้าเราหนีได้วันนี้พวกนี้ก็จะต้องตามมาหาเราอีก แต่ถ้าเวรกรรมเราได้ใช้ไปแล้วมันก็หมดกันมันก็จะไม่ตามมาต่อแยเราอีกต่อไปดังนั้นเราจึงต้องมีความเมตตาเราจะต้องมีขันติไว้อดทนต่อสู้กับเคาะกรรมทั้งหลายที่จะมาโหมกระนำใส่เราถ้าเรามีความเมตตามีขันติความอดทนแล้วเราจะสามารถ พันฝ่าข้อกรรมทั้งหลายไปได้ด้วยดีคือเราไม่ต้องไปสร้างบุญสร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาใหม่ถ้าเราปกป้องชีวิตเราด้วยการไปเข้นฆ่าทำร้ายผู้ที่เข้ามาจ้องจะทำร้ายเราเราก็เท่ากับมาสร้างบาปกรรมเพิ่มขึ้นมาใหม่สร้างเวรกรรมเพิ่มขึ้นมาใหม่มันก็ไม่จบสักทีเวรกรรมมันก็จะตามไปตามมากันอยู่อย่างนี้ไปไม่รู้จักจบจักสิน้น ถ้าเราต้องการให้เวรกรรมมันหมดสิ้นไปก็ต้องใช้อโหสิกรรมต้องให้อภัยแล้วก็ไม่ตอบโต้ทั้งสิ้นไม่ว่าด้วยวิจาหรือการกระทําทางกายใครเขาจะพูดใครก็จะด่าเราใครก็จะกั่นแกล้งเราเบียดเสียดเราเบียดเบียนเราด้วยวิธีการอย่างใดก็ตามขอให้เราจเจริญเมตตาไว้ให้อภัยคิดถึงพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเป็นตัวอยา่างนะ บารมีอีกอันหนึ่งที่เราต้องเจริญกันเรียกว่าปัญญาบารมีปัญญาก็คือความรู้ความฉลาดอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาได้ยินได้ฟังธรรมะในวันนี้นี่เป็นการสะสมปัญญาบารมีความรู้ความฉลาดซึ่งเป็นเหมือนกับแสงสว่างทำให้เรารู้จักคิดจักอ่านว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่ว พราะเมื่อเรารู้แล้วเราจะได้ทําแต่สิ่งที่ดีเมื่อทําแต่สิ่งที่ดีผลที่ดีก็จะตามมาแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะไม่มีความสามารถในการแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเราก็จะทําแต่บาปแต่กรรมอย่างที่คนในโลกนี้กระทากันเวลาใครเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเราก็ต้องไปต่อต้อเขาสร้างความเดือดร้อนให้กับเขา นี่เป็นความการกระทำของคนที่ไม่มีปัญญานั่นเองคนฉลาดคนมีปัญญาต้องรู้ว่าการกระทำนั้นมีมีดีและมีชั่วและไม่จำเป็นว่าจะต้องมีคนเขามาทำไม่ไ ม, ไม่ไม่ดีไม่ร้ายกับเราแล้วจะเป็นเหตุผลให้เราไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับเขาได้อย่างนี้ไม่ใช่ถึงแม้เขาจะร้ายกับเราเท่าไหร่ถ้าเราไม่ไปทาความ ชั่วกับเขาเราก็ยังดีอยู่แต่ถ้าเขาร้ายกับเราแล้วเราก็กลับไปร้ายกับเขาเราก็ไม่เราก็ไม่ได้ดีกับเขาไปเท่าไหร่เราก็ชั่วเราก็เลวเท่ากับเขานั่นเองเพราะว่าความดีความชั่วนั้นมันไม่ได้อยู่ที่บุคคลอื่นมันอยู่ที่การกระทำของเราคนอื่นถึงแม้เขาก็จะชั่วขนาดไหนเขาจะเบียดเบียนเขาจะสร้างความทุกข์ให้กับเรามากน้อยขนาดไหนเราก็จะ ถ้าเรานิ่งเฉยเราไม่ตอบโต้เราก็ไม่ชั่วกับเขาแต่ถ้าเราไปตอบโต้ไปทำร้ายเขาเราก็เราก็ชั่วเท่ากับเขานั่นเองนี่คือปัญญาและบา ร, รมีสุดท้ายก็คืออุเบกขาเราจำเราต้องรู้จักทำใจให้ปล่อยวางวางเฉยการที่เราจะปล่อยวางวางเฉยได้เราก็ต้องมีปัญญาเองนั่นแหละปัญญาที่เห็นว่า สัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของของตนไม่ว่าจะทํากรรมอันใดไว้จะต้องรับผลของกรรมนั้นใครก็ทํากรรมชั่วไว้เราไม่ต้องไปทําโทษเขาเขาถึงเวลาเขาก็ต้องรับข้อกรรมของเขาไปเองใครที่เขาทํากรรมดีไว้เราไม่ต้องไปสงไปต้องไปเยินยอสรรเสริญเราไม่ต้องไปให้รางวี่รางวัลเขาเพราะว่าผลของการกระทําความดีมันก็มีอยู่ในตัวของมันแล้ว นี่แหละทำไมชาวพุทธเราจึงมักเวลาทําอะไรช่วยเหลือใครแล้วมักจะไม่ต้องการผลตอบแทนไม่ต้องการแม้กระทั่งคําว่าขอบคุณเนะพราะว่าเมื่อทําได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วใจมีความสุขใจมีความสงบใจมีความเย็นนั่นเองใจเป็นอุเบกขาแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับใจที่มีความสงบเป็นอุเบกขาเพราะนั่นแหละคือจุด ความสุขที่แท้จริงของใจอยู่ที่ตรงนั้นและจะมีอุเบกขาได้ก็ต่อเมื่อเราบำเพ็ญบา ร, รมีทั้งหมดที่ได้แจ้งที่ได้แสดงไว้ดังนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายจงนำบา ร, รมีทั้งสิบนี้มาบำเพ็ญสะสมอย่างต่อเนื่องและ ว, วาสนาอำนาจต่างๆก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปในภายภาคหน้า เราไม่ต้องสงสัยเพราะนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์มาแล้วได้ทรงปฏิบัติมาแล้วและได้รับผลมาแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ถึงพระนิพพานก็เป็นเพราะว่าได้สะสมบุญบารมีได้ละเว้นจากการกระทำบาปกรรมความชั่วทั้งหลายใครจะทำร้ายท่านท่านก็ไม่ตอบโตนะ้ท่านนิ่งเฉยด้วยอุบเบกขาบารมีใช้ปัญญา ปล่อยวางให้รู้ว่าใครทำความชื่อเดี๋ยวเขาก็ต้องไปรับข้อกรรมของเขาเองเราไม่ต้องไปให้เป็นผู้ที่ไปทำร้ายเขาทำโทษเขาเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วชีวิตของเรานั้นจะดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามมีแต่ความสุขความเจริญแม้ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางอันเปรส่อยที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญไปถึงก็ตาม เราก็จะมีความสุขสมควรสมควรแก่ฐานะของเราแล้วเราก็จะมีกำลังจิตกำลังใจมีสติปัญญามีศรัทธามีความฉันทะวิริยะที่จะสะสมบุญบารมีไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรารู้เรามีความมั่นใจว่าภพชาติของเราในภายภาคหน้านั้นจะมีแต่จะดีขึ้นไป ดีกว่ามัวแต่มาหลงเหลืงกับอำนาจวาสนาใช้เงินใช้ทองสนองกิเลสตัณหาแล้วก็ไปก่อกรรมทำเข็นเบียดเบียนผู้อื่นตายไปก็มีแต่จะไปสู่ที่ต่ำนะนี่เป็นหลักกรรมเป็นความจริงไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้รําละาสอนธรรมะเหล่านี้ให้แก่สัตว์โลกหรือไม่ก็ตามความจริงเหล่านี้ก็ยังมีปรากฏอยู่สัตว์โลก ผู้หนึ่งผู้ใดทํากรรมอันใดไว้ก็จะต้องรับผลของกรรมนั้นเสมอไปทํากรรมดีก็จะต้องมีแต่ความสุขความเจริญไปเกิดก็มีแต่อํานาจวาสนาถ้าทํากรรมชั่วก็จะต้องไปสู่ที่ต่าําไปเกิดในอบายไปใช้ <c oughs> กรรมในนรกอย่างนี้เป็นสิ่งที่พวกเราอาจจะมองไม่เห็นกันเพราะพวกเรานั้นยังไม่มีปัญญา ขาดปัญญาที่จะแยกแยะมองสิ่งที่ละเอียดไปกว่าสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเนื้อตาเนื้อนี่เราพอเห็นได้เราพอแยกแย่เช่นเรามองไปเราแยกได้ว่าผู้หญิงผู้ชายเป็นอย่างไรมนุษย์กับเนรฉานเป็นอย่างไรเราแยกแยะได้แต่นรกสวราง